นี่มาขึ้นเมตโคลมานวากะปัญหาในเทศที่สต่อท่านพระเมตโคลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคจเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์จงตรัดบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ย่อมสำคัญซึ่งพระองค์ว่าเป็นผู้จบเวท มีพระองค์อันให้เจริญแล้วคือพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีตนอบรมแล้ว น, นะก็คือเป็นคำยกย่องก่อนนะนะจะถามใครก็ชมคนที่ตอบก่อนนะเออพระองค์เนี่ยเป็นผู้สุดยอดถึงที่สุดของความรู้หมดแล้วพระองค์เนี่ยเจริญภาวนามาเรียบร้อยแล้วเป็นคนดีจริงๆยอมรับแล้วก็ เ, เลยเข้าปัญหาว่าทุกมีชนิดเป็นอันมากเราใดเราหนึ่งนี่ในโลกเกิดมาแต่ที่ไหนหนอ ทุกทั้งหมดมันเกิดจากอะไรคาถามหน่อยนะตรงๆทุกทั้งหมดเกิดจากอะไรแต่ว่าก่อนที่จะถามปัญหาแบบนี้ก็ชมผู้ตอบก่อ น, น, นซึ่งอธิบายที่บอกว่าข่าพระองค์เนี่ยสำคัญพระองค์ว่าเป็นผู้จบเวทย่อมสำคัญซึ่งพระองค์อ่ะเป็นผู้มีตนเนี่ยอบรมแล้วคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้อบรมตนแล้วอ่ะ ว่าตนในที่นี้หมายถึงจิตนะนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้อบรมจิตไว้เรียบร้อยแล้วคือข่าพระองค์ย่อมสําคัญย่อมรู้ย่อมรู้ทั่วย่อมรู้แจ้งเฉพาะย่อมแทงตลอดอย่างนี้ว่าพระองค์เป็นผู้จบเวทมีพระองค์อันให้เจริญแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเวทอย่างไรบอกก็คือหนึ่งฌานเนี่ยนะพระองค์มีฌานมีปัญญา ปัญญิสีสีปัญญาพภะธรรมวิจยะสัมโพธชงวิมังสาวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเรียกว่าเวทเวทนี่ก็เป็นชื่อของปัญญาท่า น, นพระองค์จบเวทก็คือจบปัญญามีปัญญาถึงเรียกว่าถึงที่สุดของผู้มีปัญญาแล้วไม่มีผู้ใดมีปัญญายิ่งกว่านี้อีกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงที่สุดทรงบรรลุถึงที่สุดทรงไปสู่ที่สุดทรงบรรลุซึ่งที่สุดทรงถึงส่วนสุดรอบ ถึงส่วนสุดแล้วทรงถึงความจบทรงบรรลุความจบแล้วแห่งชาติชราและมรณะขณะเดียวกันเนื่องจากพระองค์มีปัญญาใช่ไหมพระองค์จึงพ้นหรือจบความเกิดความตายต่อไปนี่เรียกว่าจบจริงๆทรงถึงที่ต้านทานบัทรงบรรลุถึงที่ต้านทานทรงถึงที่เร้นบรรลุที่เร้นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งทรงถึงที่ไม่มีภัยบรรลุถึงความไม่มีภัยทรงถึง ความไม่เคลื่อนบรรลุถึงความไม่เคลื่อนทรงถึงความไม่ตายบรรลุถึงความไม่ตายทรงถึงนิพานบรรลุนิพานด้วยเวทเหล่านั้นคือพระองค์เนี่ยมีปัญญาพระองค์จึงทําที่สุดแห่งชาติชรามรณะหรือทำที่สุดแห่งทุกขเพราะพระองค์มีปัญญาพระองค์จึงบรรลุพระนิพานนเนื่องนะจากเวทคือมีปัญญาดังกล่าวไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงที่สุดเวททั้งหลายที่สุดแห่งเวทหรือทรงที่สุดด้วยเวท เรีว่าจบด้วยปัญญานะมองเป็นสองน่ยถึงที่สุดแห่งปัญญาเรียกว่าถึงจุดสุดยอดของปัญญาหรือพระองค์เนี่ยบรรลุจุดสุดยอดด้วยอํานาจแห่งปัญญาเรียกว่าถึงที่สุดด้วยเวทเขาบอกว่าแห่งเวทกับด้วยเวทเนี่ยนะถ้าผู้เรียนไวยากรณ์มาเขาจะรู้นะที่สุดแห่งเวทในฐานะเป็นเจ้าของเจ้าของเวทหรือเวทเนี่ยเป็นเจ้าของถ้าด้วยเวทก็คือปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้บรรลุ อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ชื่อว่าเวทะคูเพราะพระองค์เนี่ยทรงทราบแล้วซึ่งธรรมะเจ็ดประการคือทรงทราบสกายะทิฐิวิจิกิจชาสีและพัตตปามาณพระองค์นี้ทรงทราบราคะโทสะโมหะมานะและพระองค์นี้ทรงทราบอากุศลธรรมอลามกเป็นอันมากอันทําให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไป สรว่าบุคคลเลือกเวทเหล่าใดทั้งสิน้นเวทเหล่านั้นของสมณพราหมณ์ก็มีอยู่บุคคลนั้นปราศจากราคะในเวททั้งปวงล่วงเวททั้งปวงแล้วเชื่อว่าเวทะคูเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงที่สุดแห่งเวทจริงๆต้องไม่มีราคะในเวทนาละตัญหาในเวทนาได้จึงเรียกว่าถึงที่สุดแห่งเวทต่อไปว่าพระผู้มีพระภาค มีพระองค์อันให้เจริญแล้วหรือมีตนอันอบรมแล้วมาจากคําว่าภาวิตตานังเนี่ยนะผู้มีตนอบรมแล้วไปอบไปรมตนมาอย่างไงเนี่ยนะไปอบรมตนยังไงนะถ้าเป็นอบรมก็มาจากอบกระลมอ่ะนะเรียกว่าอบรมใช่ไหมทั้งอบมาอย่างดีทั้งรมมาเป็นอย่างดีแล้วเรียกว่าทั้งอบทั้งรมเรียกว่าอบรมอันนี้สํานวนไทยนะบาลีก็คือภาวนานะไปเจริญยังไงเหมือนน พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระกายมีศีลมีจิตมีปัญญามีสติปัฏฐานมีสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทร์สีพระโพุชองอริยมรรคอันให้เจริญแล้วเรียกว่าอ บ, บรมต น, นก็คืออ บ, บรมด้วยศีลสมาธิปัญญาอ บ, บรมด้วยโพธิปัจขยธรรมแล้วหมายถึงจิตนะจิตของพระองค์นี่เอาคุณธรรมเหล่านี้อ บ, บรมเรียบร้อยแล้วพระองค์นี้ทรงละกิเลสแล้วทรงแทงตลอดอกุปรธรรมอกุปรธรรมก็คืออรหัตผลเนี่ยนะ มีนิโรธอันทรงทําให้แจ่มแจ้งแล้วพระองค์ทรงกําหนดรู้ทุกทรงละสมุทัยทรงเจริญมากทรงทําให้แจ้งซึ่งนิโรธพระองค์ทรงรู้ยิ่งซึ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ละรำที่ควรละทรงเจริญทำที่ควรเจริญทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งพระองค์มีธรรมไม่น้อยมีธรรมะมากมีธรรมะลึกมีธรรมะไม่ได้ประมาณคือไม่มีประมาณเนี่ยมีธรรมะยากที่จะยังลงได้ ไม่มีใครยั่งลงถึงที่สุดแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มีพระธรรมรัตนมากธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากเปรียบเหมือนทะเลหลวงพระองค์นี่ประกอบด้วยฉลังขู่เบคขาหรือว่าอุเบคขามีองค์หกพระองค์นี้เห็นรูปด้วยพระจักษุแต่ไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยมีสติสัมปชัญญะหรือว่าดํารงจิตอยู่ด้วยมหากิริยา ไม่ตกฝ่ายไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งราคะและโทสะในรูปที่เห็นหรือพระองค์ได้ยินเสียงด้วยพระโสดแล้วทรงดมกลิ่นด้วยพระคานะลิ้มรสด้วยพระชิวหาถูกต้องโพธิภ า, าด้วยพระกายทรงทราบพระธรรมทรงรรทรงาบธรรมอารมด้วยพระมนั์แล้วไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอ ย, อยู่เรียกว่าดำรงอยู่ด้วยมหากิริยาจริงๆเนี่ยนะทุกอารมณ์เนี่ยรับอารมณ์ทุกอารมณ์ด้วยมหากิริยา ไม่ตกไปในฝ่ายแห่งราคะแปดไม่ตกฝ่ายในฝ่ายแห่งโทสะสองแต่ก็ไม่ใช่เฉยแบบโมหะเนี่ยนะปฏิเสธการเฉยแบบโมหะพระองค์ทรงเห็นรูปอันหน้าพอใจด้วยพระจักษุแล้วไม่ทรงติดใจไม่ทรงรักใครไม่ทรงยังราคะให้เกิดพระองค์นี่มีพระกายคงที่มีพระทยัยคงที่ดํารงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วพระองค์ทรงเห็นรูปนั้น่ะอันไม่ประกอบ ทรงเห็นรูปนั้นน่ะแต่ไม่ประกอบขออภัยทรงเห็นรูปนั้นอันไม่เป็นที่ชอบใจด้วยพระจักสูแล้วไม่ทรงเก้อเขินมีพระไทยไม่ได้ขัดเคืองมีพระไทยไม่หดหูมีพระไทยไม่พยาบาทพระองค์เนี่ยมีพระกายคงที่มีพระไทยคงที่ดำรงอยู่ด้วยดียในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเรียกว่ารูปที่น่าพอใจก็ไม่กำหนัดรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ขัดเคือง เป็นจิต ท, ที่พ้นดีวิเศษจริงๆนะนะพ้นจากถ้าโทสะเนี่ยพระ อ, องค์ก็พ้นวิเศษด้วยอนาคามิมักน ะ, นะราคาก็พ้นวิเศษด้วยอรหัตตมักนั่นะแหละเสียงที่ได้ยินเอ่อเสียงที่น่าพอใจที่ได้ฟังด้วยโซดกลิ่นที่น่าพอใจที่รู้ด้วยจมูกลิ้นลิมรสที่น่าพอใจด้วยชิวหาถูกต้องโพธาภะที่น่าพอใจด้วยกายทราบธรรมรมณ์ที่น่าพอใจด้วยพระไถยแล้วไม่ทรง ติดใจไม่ทรงรักใครไม่ทรงยางราคาให้เกิดพระองค์มีพระกายคงที่มีพระทัยคงที่ดํารงอยู่ดีด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วนะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ฟังเสียงเพราะที่สุดเพราะขนาดไหนจะมีใครได้ยินเสียงที่เพราะเท่าพระพุทธเจ้าอ่ะนะเพราะเสียงของพระองค์เองก็เพราะแล้วพระองค์ก็ได้ยินแต่เสียงที่เพราะเพราะเนะหกลิ่นเนี่ยพระองค์ก็ได้แม้กระทั่งรับกลิ่นที่เป็นทิพด้วยลิ้นเนี่ยพระองค์ทานฉันอาหารที่เป็นทิพนะ คือพอฉันแต่ละคำเนี่ยเทวดาจะหยอดโอชาทิพซ์ลงไปด้วยนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็รับรสที่เป็นทิพซ์อยู่ตลอดนั่นแหละอารมณ์ทางกายพระองค์นี่ก็โหเป็นเป็นอะไรเป็นโพธพะที่มีฌานเป็นสมุทฐานเนี่ยนะเป็นโพธพะที่มีฌานเป็นสมุทฐานเนี่ยจึงเป็นโพธพะอย่างประณีตอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ธรรมรมณ์เนี่ยพระองค์มีกระทั้งรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยนะอย่ว่าระดับธรรมดาเลยมีทั้งนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าอารมณ์ที่น่าพอใจทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีราคะไม่ยังราคาให้เกิดนั้นพระองค์เนี่ยมีใจพ้นวิเศษดีกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาแปลว่ามีจิตไม่เกาะเกี่ยวในอารมณ์ที่น่าปรารถนาเหล่านั้นเลยทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์ได้ยินเสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธิภาพรู้ธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะด้วยใจทั้งหมดเนี่ยไม่เกอ้อเขินเกอ้อเขินนี่แปลว่าไม่ไม่ทมีโทสะนะ มีพระไทยไม่ได้ขัดเคืองมีพระไทยไม่หดหูมีพระไทยไม่พยาบาทพระองค์มีพระกายคงที่มีพระไทยคงที่ดํารงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วไม่มีโทสะในทุกอารมณ์เนี่ยนะเกิกว่าเห็นอะไรที่น่ากลัวก็ไม่เครียดอ่ะไม่มีหงุดหงิดอะไรไม่มียิ้มตลอดอ่ะสำนวนไทยนะว่ายิ้มตลอดก็ประกาศถึงว่าเป็นผู้มีความสุขเต็มที่ ถึงจะเจ็บปวดนะตอนที่พระเทวทัต ก, กลิ้งห็นมาเนี่ยนะกระทบเนี่ยก็ไม่เครียดไม่ไม่เดือดร้อนอะไรกายมันจะปวดเร่าร้อนขนาดไหนก็ช่างแต่พระองค์ก็ใจก็ไม่ได้เสียใจอะไรพระองค์นี้เห็นรูปด้วยพระจักษุแล้วมีพระกายคงที่ในรูปที่ชอบใจและไม่ชอบใจมีพระไทยคงที่ดํารงอยู่ด้วยดีในภายในพ้นวิเศษดีแล้วเพราะฉะนั้น รูปที่จะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจกลิ่นรสโภภพธิภะธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเนี่ยนะพระองค์มีพระทัยคงที่ดำรงอยู่ด้วยดียในภายในพ้นวิเศษดีแล้วคือไม่มีราคะโทสะเจือในอาการรับอารมณ์เหล่านั้นเลย ทรงเห็นรูปด้วยพระจักษุแล้วก็ไม่ทรงรักในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่ชังในรูปเป็นที่ตั้งแห่งความชังไม่หลงในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่โกรธในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่ทรงมัวเมาในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่ทรงเศร้าหมองในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธาภาพด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเนี่ย ก็ไม่รักในอารมณ์เหล่านั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่ขัดเคืองในอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงไหลในอารมณ์ทั้งหมดนั้นะเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลไม่โกรธในธรรมะคืออารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่เศร้าหมองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเนี่ยประกาศถึงผู้บริสุทธิ์จริงๆผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นประมาณเห็นรูปที่ทรงเห็นคือประมาณแปลว่าไม่มีราคะโทสะโมหะในอารมณ์ที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบหรือธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งไม่ทรงติดในรูปที่เห็นไม่ติดในเสียงที่ได้ยินไม่ติดในอารมณ์ที่ทราบไม่ติดในอารมณ์ที่รู้แจ้งไม่ทรงเข้าถึงไม่ทรงอาศัยไม่เกี่ยวข้องทรงพ้นวิเศษดีแล้วในรูปที่เห็นนี่นะเสียงที่ได้ยิน กลิ่นอารมณ์ที่ทราบรำอารมณ์ที่รู้แจ้งมีพระไทยไม่มีเขตแดนแปล ง, ง่ายๆว่าทุกอารมณ์พระองค์เข้าพระละสมมาบัติได้หมดเลยมานสิการอาวัชนะอารมณ์นั้นแล้วต่อด้วยการเข้าพระลสมาบัติได้ไม่ใช่เป็นของยากสําหรับพระองค์ฉันไม่มีใจผูกพันเกาะเกี่ยวในในอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระจักสุทรงเห็นรูปด้วยพระจักสุแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไทยพ้นวิเศษดีแล้ว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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกายถูกต้องโพธาภะแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไัยพ้นวิเศษดีแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมนต์คือใจทรงรู้แจ้งธรรมอารมณ์รู้แจ้งอารมณ์ด้วยใจแต่ไม่ทรงมีฉันทราคะมีพระไัยพ้นดีแล้วคือทวาวรไหนนะประตูไหนไหลเข้าไปเถอะไม่มีราคะแทรกแม้แต่ถาวรเดียวซึ่งต่างจากปุถุชนทั้งหลายเนี่ยติดนับหมดเลยเหนไ เฉพาะที่หน้าพอใจนะเน้นนะอารมณ์ที่หน้าพอใจเห็นก็ติดได้ยินก็ติดรู้กลิ่นก็ติดลิ้มรถก็ติดรู้ต้องโพธาภาก็ติดรับกระทบธรรมอารมณ์ก็ติดเรื่องราวอะไรก็ติดหมดอนะ่ะอย่างเช่นคนที่ที่ชอบใจในเรื่องเรื่องบ้านเนี่ยนะพอพูดถึงคําว่าบ้านหนึ่งคำปั๊บไหลยาวเลยาเล ย, ยาวเลยมันติดขนาดนั้นอนะ่ะพอติดในเรื่องลูกปั๊บนะเอาเรื่องลูกมาหนึ่งคำที่เหลือเขาตอบหมดอ่ะนะนําหน้าเขาคําเดียวพอละที่เหลือเขาจะคุยเขาเอง ถ้าใครติดเรื่องรถนะพูดคำว่ารถคำเดียวนะที่เหลือเขาจะว่าของเขาเองเนะี่ยยาวเลยนะฮันผู้ที่ติดผู้ที่คล่องจริงๆอะ่ะเพลินในสิ่งเหล่านั้นนะนะ